6. อธิกรณวาระวาระว่าด้วยจัดเป็นอธิกร 1. ปราชิกกันคำถามคำตอบอธิกรในปราชิกกันปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งถามอาบัตของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรมบรรดาอธิกร4สี่อย่างจัดเป็นอธิกรไหน อาบัตของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรมบรรดาอาธิกรณ์สี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรณ์ละเจ็ดเสขียกันคำถามคำตอบอธิกรณ์ในเสขียกันละ เจ็ดปาทุกะวัคละสิกขาบทที่15ถามอาบัตของภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดาอาธิกร4สอย่างจัดเป็นอธิกรไหนตอบอาบัตของภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อ ถ่ายอุจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดาอธิกรสี่อย่างนั้นจัดเป็นอาปัตตาธิกรอธิกรณวาระที่หกจบ